อันจัดเป็นบาปหนักที่สุดเพราะท่านถือความสามัคคีของหมู่ชนเป็นเรื่องสำคัญอันดับหนึ่งถึงแม้ในสังคมครือขัดพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงเน้นให้เห็นความสาคัญของการทำชุมชนและสังคมให้เป็นปึกแผ่นมั่นคงมีเอกภาพด้วยหลักสังคฆวัตถุสี่นี้ดังที่ว่าในบรรดาพระสาวกฝ่ายคฤหัดที่ได้รับยกย่องเป็นเอตตะะ ก, ก็มีสองท่าน ที่เป็นคล้ายอัครสาวกแต่ไม่เรียกว่าอัครสาวกเรียกได้ว่าเป็นอัครอุบาสกคือเป็นอุบาสกเยี่ยมยอดคู่กันได้แก่จิตตะคเรหบดีผู้เป็นเลิศทางธรรมกถึกคือเป็นนักแสดงธรรมและอีกท่านหนึ่งคือหัตถกาลวากะชื่อนี้เรียกรวมคําให้สะดวกลิ้นไทยที่จริงคือหัตตกะอาละวากะ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 คือบอกข้อมูลบอกคําสอนแล้วคุณก็ไปพินิษพิจารณาวิจัยไตร่ตรองเอาก็จะเกิดความรู้ความเข้าใจเป็นปัญญาขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นโยมขอศีลพระบอกศิกขาบทให้ไปรักษาโยมขอสมาธิพระบอกกรรมฐานให้ไปปฏิบัติโยมขอปัญญาพระบอกสุตะให้ไปวิจัย